ท่ำกันในขณะที่พักวิเวกอยู่ท่ำกันนั้นซึ่งเป็นท่ำดินราบถ่ำคล้ายกับวงเล็บมีแค่สูงประมาณสี่สิบเซนปูฟากไม่ได้กันนอนพอสุดหัวสุดเท้ากว้างประมาณเก้าสิบเซนบาดต้องตั้งไว้ใต้เตียงหัวนอนมีคลองน้ําไหลอยู่หน้าท่ำเพดานท่าหินสูงประมาณสามเมตรก็มีประมาณสี่ห้าเมตรก็มีทางจงกรมก็อยู่ตรงนั้นยาวประมาณเจ็ดวามีน้ำไหลอยู่หน้าท่ำ เป็นครองลึกเพียงเขาเขาทําลานล้างบาตให้ที่นั้นนั่งสงฆ์ที่นั้นก็ได้น้ํำจืดดีใสสะอาดไม่มีบ้านคนอยู่เหนือน้ําที่ไหลมาตีนเขาต่ํากว่านั้นลงมาประมาณหนึ่งเส้นเป็นสวนยางเขาด้านภาวนาหนักไปทางเมตตาพิจารณาลงมาจนถึงอนัตตาธรรมอันไม่มีเวรไม่มีภยัยอันไม่มีสัตว์ู่พร้อมกับลมเข้าออกไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะถือว่า ต้องพึ่งตนเองหนักเข้าตลอดทั้งขาไปและขากลับบินธบาตการฉันก็ฉันในบาทรวมทั้งหวานข่าวตามเคยเพราะกลัววิบัติไปบินธบาตในเมืองไม่ไกลนักเต็มบาททุกวันทั้งกลับพร้อมมีโยมชาวบ้านตามปฏิบัติตอนฉันชาววันละคนไม่ขาดเขามีนิสัยดีคาใดเราบอกว่ายายาแล้วเขาไม่ฝืนเลยซื่อสัตว์สุจริตมากเขาว่าเขาไม่ค่อยเห็นพระมาอยู่องค์เดียวอย่างนี้ ถ้ามาก็สามสีห้าองค์เป็นกลุ่มห้าวันเจ็ดวันก็ไปก็มักเห็นอยู่แต่สนามกลางเมืองและริมถนนที่คนผ่านไปมาปักตกดอยู่กับดินและมักจะมีของหลางของขลังมาพร้อมด้วยเป็นอันมากโดยมากมักจะเป็นพระทางสงฆ์ขาพัฒลุงและภาคกลางก็มีและก็มีผู้นิยมชมชอบเมื่อขณะเขียน<ม><ม>อยู่เดี๋ยวนี้ได้พิจารณาขึ้นว่าจะเป็นลัทธิใดๆก็ตาม ที่อ้างอิงว่าถือพระพุทธศาสนาหลักที่สูตรของการปฏิบัติก็มีอยู่ว่าสิ่งใดที่เป็นการส่งเสริมให้กิเลสมากขึ้นสิ่งนั้นไม่ถูกถ้าประพฤติถูกกิเลสก็ห้ามรอหรือเบาบางลงหรือเหยื่อแห้งหายขาดไปผลลายรับต้องกลาดกฎอย่างนี้แค่ผู้ปฏิบัติขณะที่ทวนดูตนดูใจนิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติก็เป็นเถียนสองบาทเห็นท่านจ่องสองดูบาท ก่อนลงมือฉันก็จ้องดูแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายยังไงการเดินทางใจไปมรดสนิพานจะติเตียนหนทางที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปิดไว้แล้วอย่างโล่งโถงก็ไม่ได้ต้องติเตียนใจสติปัญญาของตนเข้าใส่หนทางเท่านั้นไม่ได้ลงทุนถังและซ่อมแซมเหมือนทางภายนอกทางภายนอกต้องซ่อมแซมกันอยู่เรื่อยๆจะเทียบใส่อาหารภายนอกมีผู้หามาให้ครบ มีแต่ล้างมือเพิบกินก็ดีอาหารนั้นถ้าไม่กินนานไปก็บูดก็เนา่ากล่าวต่อไปในเรื่องผ่านเมืองพังงาไปบินทบาทบรรดาผู้ที่มารอใส่บาดพระหลวงพ่อนี้เขาลองวิงวอนประจำว่าขอให้เท ว, วบุตรเท ว, วดาอินพรหมพระยมพระกานจตุโล ก, กบาลทั้งสี่จงรักษาพ่อท่านอย่าให้มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นเพราะหวาดเสียวเหลือเกินเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังดังนี้ จะเป็นคําเท็จจริงอย่างไรก็มอบให้เป็นเรื่องของเขาผู้เขียนก็ไม่รับได้ไม่รับเสียด้วยแต่ก็คงเป็นคําจริงเพราะเราภาวานานหนักไปในอัปปมัญญาตามความจริงแล้วเสือมันเอาคนตัดยางไปกินบ่อยๆอยู่ตามแถบนั้นเพราะการตัดยางเขานิยมกันแต่เชาวมืดมัดตะเกียงไฟติดหน้าผาแต่ตีสามตีสี่เป็นส่วนมากสําหรับผู้กล้าหานเขานิยมกันว่ายางมันไม่แห้งมันออกดี ในเวลาตอนกลางคืนได้ยินงูใหญ่ร้องอยู่ใกล้ๆประมาณสิบห้าสิบหกวาแต่นี่ได้เห็นตัวชลอยมันจะร้องอยู่ในรูที่เป็นรูเป็นโพรงเข้าไปในเขาส่วนเสือนั้นไม่ปรากฏเห็นหรือมันมามองดูก็ไม่ทราบได้เพราะเป็นหุบเขาแหลมๆเข้าไปแต่คราวล่วงมาไปวิเวทที่บางนุที่ควรเขาดินอำเภอตะ ก, กวัวทุ่งคนเดียวมันมาร้องอยู่ใกล้ๆอย่างอาดหานมากนักหนา เฒ่าอยู่วัดป่าประสมตโนดสวนพิกษตะกัวทุง่ง6โมงเย็นมันออกมาสูดกลิ่นเล่นอยู่ตามทางที่ไปมาระหว่างกุฏิต่อกุฏิที่เป็นทางแคบๆอันเป็นกุฏิบนควรเขาดินที่อยู่ไกลหมู่บ้านพอมันเหลือบเห็นข้าวประแจวมันก็กระโดดเข้าป่าหญ้าฝรั่งหรือหญ้าราบเสือความกลัวตายของสัตว์ที่มีกิเลสอยู่นี้ต้องมีกลัวกันทั้งนั้นเว้นพระอหรหันต์เสียเหลือนอกนั้น ต้องกลัวกันไม่มากก็ น, น้อยท่านผู้ดับตัญหาได้สิ้นเชิงแล้วความขลาดกลัวขนฟองสยองเกล้าย่อมไม่มีแต่คนโดยมากชอบมอบให้โลกเ้นภ า, ศ า, ศาษาทเป็นส่วนมากและก็ขอฝากท่านผู้รู้ไว้ด้วยการเขียนเกี่ยวกับธรรมชั้นสูงมีได้ยืนยันเข้าข้างตัวฝ่ายเดียวเพราะจะกลายเป็นความมานะถือตัวดิ่งลงไปหน้าเดียวถอนอูปาทานได้ยากอาจารย์ผูเขาถอยผาให้เขียดหลับ ขันพักทาความเพียรอยู่ท่ำกันประมาณสองเดือนแล้วจิตตะสังขารก็คิดอยากจะข้ามเขาถอยไปทางอําเภอเอ่าลึกซึ่งเป็นเขตจังหวัดกระบี่จึงถามโยมว่าโยมเอย๋ยอาตมามาพักอยู่ที่นี้ก็สะดวกสบายพอควรวันเวลาทีวาก็ล่วงไปนึกอยากจะไปเที่ยวต่อไปทางอําเภอเอ่าลึกภูเขาขวางหน้าอยู่นี้มีที่ข้ามไปได้หรือไม่หนอเขาตอบว่าไม่อยากให้ท่านไปไง่าย พราะประชาชนเขาจะขนดินทรายมาปูพื้นถ้ำให้พ่อท่านอยู่ตอบเขาไปว่าอาตมาด่วนไปข้างหน้าเพราะเกณงจะไม่ได้เที่ยวหลายแห่งโยมเอ๋ยแม้จะไม่มีพระอยู่นี้การขนทรายมายิ่งสะดวกดีเพราะพระมพักจึงจะขนนั้นเป็นการไม่สะดวกเท่าไหร่ในฝ่ายพระเพราะลำบากหลบกับญาติโยมที่ผ่านไปมาอันเป็นเพศหญิงเรารีบทําไว้ก่อนพระมพักดีกว่านะเขาตอบว่า ถ้าพ่อท่านไปแล้วใครหนอจะพอใจขนเพราะไม่มีกำลังใจเพราะไม่เห็นพระตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็รอไว้ก่อนต่อเมื่อมีพระมาในอนาคตจงพาันขนเดอจะอย่างไรอัตมาก็ได้ลาไปตามแผนที่วางไว้พวกเราจะอยู่ไกลกันขอบฟ้าแดนดินใดๆก็ตามต่างก็ถึงพุทธธรรมสงเป็นสารณะอยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมแลนาแล้วก็หมดปัญหากัน แล้วเขาพูดว่าถ้าจะไปจริงๆจะได้มิมนกลับไปทางตลาดจะส่งพ่อท่านไปทางเรือและสะดวกและถึงเร็วถามโยมว่าภูเขาถอยนี้ได้ยินเขาเล่าว่ามีคนข้ามไปมาได้อยู่ด้วยสีเทาเขาตอบว่าได้อยู่ก็จริงแต่ชันมากสูงมากบ่ายสี่โงเย็นจึงจะถึงตีนเขาทางทิศตะวันออกได้ตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาก็อยากจะทดสอบดูว่า อาตมาจะ ก, กล้าเป็นกล้าตายเพียงขนาดไหนขอโยมจงไปส่งให้ถูกทางช่องข้ามเถิดว่าแล้วเขาก็พาไปแบบฝืนๆเขาพาไปตามตีนเขาประมาณแปดเส้นก็เห็นหนทางข้ามลัดเขาแคบๆพอสังเกตได้เขาบอกว่าไม่มีเส้นหลีกดอกอย่าได้แวะซ้ายและขวาเลยตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นขอให้โยมกลับโดยสวัสดีภาพเถินเขายกมือใส่หัวแล้วเขาก็กลับแล้วก็ตั้งใจภาวนา พร้อมกับขาเก้าปีนภูเขาบางแห่งเก้าได้ทีละคืบบางแห่งเก้าได้ทีละกว่าคืบบางแห่งเก้าได้ทีละศอกไปยังไม่ถึงหลังเขาก็พักเหนื่อยผินหน้าลงทางที่ปีนขึ้นมาเอาส้นเท้าสองส้นยําที่เป็นหลุมมีกดไว้กับรักแล้สะพายบาดเฉวียงบาดให้แน่นเอาฝ่ามือสองฝ่าแบออกกดพื้นตัวยังน้ําหนักอยู่ที่ส้นสองส้นอยู่ที่ก้นอยู่ที่ฝ่ามือทั้งสองที่กดลงสนิทพื้น พักบรรเทาทุกกายอยู่กับหนุนถังที่นั้นประมาณสิบนาทีแล้วก็ค่อยพยุงตัวยืนขึ้นปีนขึ้นต่อไปประมาณเที่ยงวันก็ถึงหลังเขาเงื้อออกโซมกายเดินไปไม่พอสิบห้าวาก็ชันลิบลีลงอีกลงยากกว่าปีนขึ้นอีกเสียด้วยเพราะได้ห้ามลอ้อยั้งลงแบบเบาที่สุดพอถึงตีนเขาก็สี่โมงเย็นกว่ า, วาแล้วเหลียวคืนหลังที่ค้า ม, มาเขียดหลาบมากไม่เสียดายไม่อะไรว่า จะข้ามหยุดละอามากน้ําก็ไม่ได้ดื่มเลยอาจารย์ภูเขาถอยจังหวัดพังงาพาให้เพิ่มความเข็ดหลาบในสงสารสาคอนยิ่งขึ้นอาจารย์เกิดอาจารย์แก่อาจารย์เจ็บอาจารย์ตายอาจารย์มีโยกผัดกลาอาจารย์ปรารถนาไม่ได้สมหวังอาจารย์อนิจจังอาจารย์ทุกขังอาจารย์อนัตตาเป็นอาจารย์สอนให้เขยดหลาบในวัฏจสงสารอยู่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลา แต่ขออย่าให้เป็นผู้หูหนวกตาบอดรับฟังรับพิจารณาอยู่ไม่เลือกกันจึงจะคุ้มค่ายห็นความหลงและความไม่หลงมิฉะนั้นแล้วก็ไปไม่รอดจากความหลงหลงไหลไหลได้ขั้นตกถึงตีนเขาแล้วเป็นทุ่งนากว้างประมาณสามไร่ยาวประมาณยี่สิบไร่มีน้ําไหลลงจากภูเขาเป็นคลองเล็กๆใสสะอาดจืดสนิทมีกระสอบกระหนําอยู่กว้างประมาณสามเมตรยาวประมาณสี่เมตรกว่า โรงเตียนไม่มีคนอยู่นั้นและไม่มีสิ่งของอะไรนึกในใจว่าถ้าพบเจ้าของเขามาที่นั้นก็จะขออนุญาตพักแต่ก็ไม่พบเลยพักหายเหนื่อยแล้วก็สงนามด้วยความสังเวชตนว่าเกิดมาทุกข์ทุกอยู่องค์เดียวไปอยู่องค์เดียวไม่มีใครเป็นพยานได้มีแต่หัวใจตนเป็นพยานตนเองสงนำแล้วก็พอดีค่ํากราบพระแล้วก็ภาวนานอนและก็ไม่หลับสนิทได้ ไม่นึกกลัวและไม่นึกอาถรรพ์เป็นเสมอๆอยู่คงจะเป็นเพราะคุณธรรมอันวิเวกไม่มีเพื่อนสองไม่เป็นอารมณ์อันจะพูดกับเพื่อนนอเนาะแน่ๆอะไรเพื่อต้อนรับกันเป็นคำคำเป็นเรื่องเรื่องเป็นวักวักตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้ใจเป็นที่พึ่งของใจโดยแท้ทำเป็นที่พึ่งของทำโดยแท้กรรมเป็นที่พึ่งของกรรมโดยแท้จริงขันเช้ได้เวลาก็เข้าไปบินธบาต มีบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกไกลประมาณยี่สิบเส้นมีหลังคาเรือนประมาณห้าหกหลังฉันเสร็จแล้วพักอยู่ที่นั้นบ่ายประมาณสามโมงมีโยมแวะไปคุยด้วยสองคนได้ถามเขาว่ามีถ้าอยู่ตามแถบนี้หรือไม่เขาตอบว่ามีถามเขาว่าไกลขนาดไหนเขาตอบว่าไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักถามเขาว่าไปเดี๋ยนี้จะทันหรือไม่เขาตอบว่าทันครับแล้วเขาก็พาไป พอไปถึงเป็นที่ขรุขระมากเป็นซอกเขาเข้าไปลึกแล้วมีน้ําซึมอยู่ด้านหนึ่งมีท่ามีเงื่อนหินขรุขระทางจงกรมก็ไม่มีที่จะลาดเรียบยาวพอห้าวาเลยเวลาก็คําเขา้ามีป่าไม้ทึบไม่สว่างมีรอยสัตว์ป่าลงไปกินน้ําละลากละลายมากที่มีหามศบตกป่าช้าแล้วถ้าจะคืนพักที่เก่าก็ไม่เหมาะคล้ายกับว่าเราคลาดกลัวเกินไปว่ากับเขาว่าเออ ข้าแล้วจะทําลานก็ไม่ทันดอกจงพากันเอาใบไม้ปูดินแล้วทําที่ให้แขวนกดแล้วก็พากันกลับบ้านจวนข้าแล้วเขาทําเสร็จก็กลับพอเขากลับแล้วก็กางกรดมงปูผ้าอาบลงที่เขาปูใบไม้ให้ที่ดินราบเพราะเป็นถ้ำลาบเงื้อหินนิดหน่อยพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มก็กราบละและสวดพาหงความง่วงเหงาหาอนอนไม่รู้ว่ามาจากไหนทําอุบายแก้ยังไงก็ไม่หายได้ จึงทวนดูว่าเรามาอยู่ที่อัตคัดอันตรายมากทำไมเราง่วงเหงาหานอนมากผิดธรรมดาแท้จะอย่างไรก็ตามเราจะอธิษฐานทำแล้วจะนอนยกมือปนมนึกในใจว่าด้วยเดชพุทธธรรมสงขอเป็นมิตรเป็นสหายปราศจากสัพพเวียนไผทั่วทั้งใลโลกาอยู่ทุกเมื่อแลละลึกได้ไม่ละลึกได้ก็ดีขอปูขาดจองขาดตราเท่าเข้าสู่อนุ ป, ปานทิเสสนิพานแลง แล้วก็นอนกำหนดพุทโธพร้อมกับลมออกเข้าคงไม่พอห้านาทีเลยก็หลับไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นประมาณตีสองกว่ากว่ามดง่ามกัดเพราะเป็นดินชุ่มแล้วคิดว่าเราไม่ใช่คนที่เสาหาวนอนอะไรนักมานอนเหมือนหมูถึงเพียงนี้เป็นด้วยอากาศทึบถ้าขันสู้ไม่ไหวทั้งเอาผ้าปัดมดออกจากกายทั้งคลิกใจภาวนาถึงอย่างนั้นก็ยังจะเพิ่มหลับอยู่แต่ก็นึกเสือไป มีได้เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์เพื่อบันเทาง่วงลองดูและนิสัยเจ้าตัวเล่าก็ไม่ค่อยได้หัดเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์อีกด้วยจึงเป็นเหตุให้ไม่ได้ละลึกสิงเพราะเคยเพ่งแต่อนาปานาสติเป็นหลักส่วนมากแห่งสมถะแม้จะพิจารณาไกลลักก็อาศัยอนาปานาสติเป็นนายหน้าแม้พระองค์จะทรงพระกรุณาสอนพระมหาโมคลานะผู้ไปทำความเพียรอยู่บ้านกันละวาลมุตตคามแขวงมกฏ แล้วก็นั่งงกงวงทรงสอนอุบายให้ระ ง, งับงอกง่วงด้วยวิธีต่างๆก็เลยลืมไปเสียเลยกลายเป็นวางยาไม่ถูกกับโลกที่กำเริบกระทันหันก็เลยถูกแพ้การงกง่วงไปเสียถ้าเสือหรืองูหรือมีสิ่งบันดาลให้ตายในคืนนั้นสดสดด่วนๆถ้าพิกใจไม่เหมาะสมก็คงจะเป็นปัญหาอยู่ล่ะพักเขาเท่าพบงูใหญ่คันตอนเชา้าก็จัดแจงบริขารเตรียมเดินทางไป ผ่านข้างบ้านเขาเขาวิ่งมารับแล้วได้พูดกับเขาว่าอากาศรึบมากที่คับแคบอีกถ้าจะบินทบาทที่บ้านเหล่านี้ก็ยังเช้าเกินไปถ้าอาจจะมาไปข้างหน้าจะมีบ้านหรือไม่และจะมีที่พักสะดวกหรือไม่เขาตอบว่าต้องไปพักเขาเท่าเพราะมีเงื่อนหินและมีเตียงอยู่ที่นั้นด้วยไปบินทบาทบ้านเขาเท่าแต่พอไปถึงจะสายมากแล้วเออถึงสายบ้างก็ไม่เป็นไรดอก ขอจงส่งอาตมาให้ถูกทางโยอมเอย๋ยเขาไปส่งประมาณยี่สิบเซนข้ามน้ําไหลเจียวลึกเพียงเขาไหลลงมาจากเขาถอยกว้างประมาณหกเมตรแล้วก็บอกเขากลับพอไปถึงเขาเท่าก็สี่โมงเช้าโดยาดคาดทนายมีคนหนึ่งตามพาไปถ้าแล้วก็เลยไม่ไปบินธบาตเพราะหมดเวลาแล้วและเขาก็รู้ว่ายังไม่ฉันอาหารและบอกเขาว่า อาตามาไม่ฉันก็ได้ดอกวันนี้ยมไม่ต้องลำบากดอกแต่เขาไม่ยอมเขาเอาปินโตมาเถาหนึ่งแล้วแก้บาดออกเอาใส่บาดแล้วก็เลยฉันให้เขาประมาณเก้าหรือสิบคานี้แหละเขาเล่าว่าพระพัฒรลุงและสงขานานๆก็ผ่านมาพักอยู่แต่อยู่ไม่นานเพราะมาหลายองค์ที่พักไม่พอปลาลบ ก, กันประมาณยี่สิบนาทีแล้วเขาก็กลับ บ้านเขาเป็นบ้านห่างๆกันเพราะเขาอยู่ตามนาตามสวนของใครของมันสมัยนั้นจนผู้หลายไม่ค่อยมีแต่ทุกวันนี้ก็คงจะบอกไม่ถูกเพราะวุ่นวายขัดข้องกันที่พักอยู่เขาเท่านั้นเป็นเงื้อหินพื้นเสมอดินลาดแต่เงื้อหินข้างบนสูงมากเป็นที่มุงยื่นออกไปพื้นใต้ที่ลาดที่อาศัยพักมีเตียงสูงประมาณสี่สิบเซนเขาทาที่บวงสวงไส ย, ยศาสตร์เป็นกระท่อมึ่ง ที่เรียกว่ากะต๊อบหรือกระหนําใกลจากเตียงใกล้หน้าผาเป็นโพรงเป็นลูเข้าไปในหน้าผานั้นประมาณหลวมงกูภูเขาลูกนั้นเขาเรียกว่าภูเขาถ้ำเขาเท่าตำบลเขาเท่าจังหวัดพังงาวันไปถึงทีแรกก็พักอยู่ที่เตียงนอนเอียนกายพักอยู่เป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งมงมีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยตรงมาทางทิศเหนือล่องตามหน้าผามาที่ก้อนหินใต้หน้าผาหัวของมัน เกือบจดกับเตียงด้านทางที่ผิวศีสับไปคอของมันยกขึ้นพร้อมทั้งที่เลื้อยมายกคอสูงประมาณห้าสิบเซนมาแบบเรียบๆชขาๆตาของมันโตเท่าหัวแม่มือข้าพเจ้าก็ลุกนั่งพับเทียบหัวของมันอยู่ห่างเตียงประมาณหนึ่งศอกตัวของมันยาวประมาณสี่เมตรโตประมาณวัดผ่าสูงกลางสิบเซนกว่ามันก็ยกคอทําตาปลิบๆอยู่แบบสุภาพนึ้ขึ้นได้สดๆพร้อมทั้งโบกมือกล่าวว่า ไปไปเลี้ยวไปทางนั้นจะมาสงสัยเราทำไมเราแผ่เมตตาถึงเธอทุกวันไม่ว่าจะเธอแหละสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิ่งทุกท่วนหน้าทั่วทั้งสัพพัดไตโลกาเราขอเป็นมิตรเป็นสหายกันปัสกจากเวรไัยอยู่ทุกเมื่อพร้อมท่านอุทิศกุศลผลบุญให้ทุกท่วนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงได้รับแต่สัพพสุขทั้งปวงผููขาดจองขาดระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดี กระเข้าเข้าสู่อนุปาธิเศ ส, สนิพานทุกท้วนหน้านั้นเดินไปไปไปมันเลยเลี้ยวขวาตรงไปใต้ถุนกระตอบที่เขาบวงสวงยกคอเรียบๆอยู่อย่างนั้นเลื้อยไปช้าๆแบบมีสติหัวของมันห่างออกไปจากเตียงประมาณสองว่าแต่หางสุดของมันยังอยู่ใกล้เตียงแล้วมันลองขึ้นว่าหูหูหูหูหหหท้องของมันยุบพองยุบพองในเวลามันลอง แล้วมันก็เข้าไปในโพรงหินหน้าผาเงียบแล้วพะวงนึกในใจว่ามันมาหากินต่างหากแต่มาเจอเราห่างจากกันไปประมาณสินาทีก็ออกมาอีกจะลัดไปทางเตีนเตียงยกคอมาเหมือนเดิมมาเรียบๆออกจากโพรงหินมาประมาณวากว่าๆแล้วทีนี้ตั้งใจได้กว่าเขาก่อนจึงพูดขึ้นทั้งกวักมือให้กลับพูดว่าไ ป, ไปกลับกลับเราบอกแล้วไม่ฟังเราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดิน สินในน้ำดังกล่าวแล้วนั้นกลับกลับกลับทั้งโบกมือพร้อมเวลามันกลับมันก็ถอยตัวกลับไปประมาณหนึ่งคืบแล้วคว้างหางขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในรูนั้นต่อไปฉะไหนมันเข้าไปในรูแล้วจึงออกมาอีกโดยด่วนนัดฉะลอยมันจะออกไปหากินทางชายทุ่งแล้วด้วยอํานาจของพุทธธรรมสง์และจิตใจที่มิได้มีเวรมีภัยกับมันมันก็ไม่กัดไม่กินไม่ทําอันตรายใดๆ มิใช่ปูดผีเทวบุตรเทวดาจำแรงแปลงกายอะไรเลยหรือจะเรียกว่าคู่สร้างบารมีมาทดสอบว่าจะขลาดกลัวขนาดไหนและจะนึกหาคอนหาไม้มาฆ่ามาตีหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นก็อาจเป็นได้เรื่องงูภายนอกก็ไม่สำคัญเท่างูภายในงูภายในคืองูกิเลสที่พันจิตพันใจอยู่เป็นงูสำคัญมาก แข่พังพาลโลภโกรดหลงอยู่ไม่ลดละได้โสดาบันเป็นต้นไปงูจะไม่ลัดจิตลัดใจให้แน่นพอหายใจสะดวกบ้างเห็นหนทางและมีทางจะชนะงูในอนาคตต่ำกว่านั้นลงมาอยู่ในเกนตายคาปาก ง, งูตื่นชาไปบินทะบาทสองเลือนเท่านั้นเพราะบ้านเขาอยู่ห่างกันตามสวนตามนานแต่ก็พอได้ฉันอยู่เขาตามมาส่งอาหารคนหนึ่งได้ถามเขาว่าคุณโยม ที่นี้มีงูหรือไม่เขาย้อนถามว่าพ่อท่านเห็นหรือตอบเขาว่าเห็นเขาถามว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตอบเขาว่าตัวขนาดเท่าแข่งโตโตนี่แหละเขาตอบว่าตัวใหญ่กว่านั้นก็มีเท่าโคนขาก็มีถามเขาว่ามันกัดเป็นหรือไม่มีพิษไหมเขาตอบว่ามันกัดเป็นและมีพิษมากเป็มที่สองของงูเห่าแต่มันไม่ค่อยกัดมันชอบกินถามเขาว่า ชื่องูอะไรเขาตอบว่าชื่องูบองหลาครับมันเคยอาศัยไปมาอยู่ตามแถวนี้มานานแล้วมันเป็นงูกายสิทธิ์แต่ก็ไม่ค่อยทำอะไรใครดอกแท้จริงแต่ยังที่มิได้พบงูก็นึกในใจว่าจะพักอยู่ที่นั้นประมาณสามวันเท่านั้นแต่เมื่อพบงูแล้วและเล่าให้เขาฟังแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ต่อไปอีกต่างดับสนดานตนเองบ้างและเกรงเขาจะว่าพระเจ ด, ดงขี่คลาเกินไป อยู่ไปอีกได้สั ป, ปดาห์นึ่งและไม่พบเห็นงูมาอีกมีแต่เสือกล้องผ่านมาใกล้ประมาณสิบห้าวาโยมเขาบอกเล่าให้ฟังเขาเห็นรอยของมันแต่เจ้าตัวมีได้ไปดูกับเขาแล้วนึกในใจว่าถ้ากรรมตายไม่มาถึงแล้วกรรมเป็นอันมีชีวิตก็ต้องรอดไปเป็นข่าวๆแต่ก็ไม่พ้นตายไปได้เมื่อนึกให้ละเอียดแล้วเสือกิเลสก็ตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่รอบเมืองใจคาว่าเสือแปลว่า ผู้ยังมีโกรธโหดไล่อยู่เห็นแต่กระเป๋าไส้กระเป๋าท้องของตนพระอนาคามีเท่านั้นจะพ้นจากปากเสือโกรธไปต่ากว่านั้นลงมาไม่พ้นจากปากเสือโกรธเลยแล่หนอเมื่อน้อมเข้ามาภายในเป็นอัดชับตาทรมาแล้วเรื่องเสือภายนอกก็แบ่งเบาผ่อนปลนลงมาได้มาหันตโทษของเสือภายในสามารถใช้กายวาจาไปทําอนันต์ลิยกรรมทั้งห้าได้ฉะนั้นศีลห้าสินแปดข้อตน เป็นรากเง่าของศีลอย่างสมบูรณ์ถ้าล่วงศีลข้อต้นแล้วศีลข้ออื่นๆก็จะพลอยล่วงไปด้วยตรงกันข้ามถ้ารักษาศีลข้อต้นได้ข้ออื่นๆก็พลอยจะสมบูรณ์ไปด้วยเพราะได้รากแก้วของศีลที่มีเมตตาเมตไใจเมตธรรมทอดตัดศีนลงในใจในธรรมแล้วว่าจะไม่ฆ่าตายหนห้ไว้แก่ใครๆทั้งปวงโดยไม่ได้เลือกหน้าเป็นเมตตางธรร ม, มาธิปไตยเห็นธรรมเป็นใหญ่แล้ว ไม่ได้เห็นตนเห็นโลกเป็นใหญ่กว่าธรรมใดๆทั้งสิน้นผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ก็คือผู้มีทรัพย์ภายในบริบูรณ์อริยะทรัพย์นั่นเองฉะนั้นศีลห้าของผู้มีศีลบริบูรณ์จึงเป็นโลกุตตระศีลเป็นพรมาจาร์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเอาลึกแหลมสัตว์พักอยู่นั่นตามสมควรเจ็ดวันแล้วก็ลาเขาไปพักบ่อแสนลงเรือแจวไปสองชั่วโมงสุดเขตจังหวัดพังงาเพียงนั้น เป็นพรมแดนต่อจังหวัดกระบี่พักอยู่หาดทรายมีกระหน่าเล็กๆถามเขาว่าบ่อแสนนี้มีความหมายว่าอย่างไรเขาตอบมาจังๆว่าคือแสนทุกแสนยากนะพ่อทา่านให้คะแนนเขาว่าดีแล้วตอบไม่หนีจากหลักธรรมมากเลยพักอยู่ที่นั้ำสามคืนแล้วลากเขาไปอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตีหนึ่งตอนกลางคืนเขามารับเอาบริขารไปลงเรือแจวขณะนั้นน้ําทะเลกําลังขึ้น เขาเจวเรือโตน้ําขึ้นเสียงปลากระโดดตูมตามตูมตามตามป่าไม้ริมทะเลในเรือไปจอดท่าอําเภอเอ่าลึกแล้วพวกเจวเรือประมาณเจ็คนนั้นเขาหาดแตงโมเข้าไปขายอําเภอเอ่าลึกขณะนั้นเป็นเวลาตีสี่โดยาคาดทะเลพอเขาหาดแตงโมไปแล้วสักครู่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแต่ไม่ลงจัดก็ยืนสะพายบาดอยู่ที่ท่าน้ํากั้นกรดอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมืดแปดด้าน ไม่แลเห็นอะไรนึกในใจแล้วก็คลายกับว่าอาจารย์ผลลองดีให้ยืนกั้นกดภาวนาเป็นเรื่องขำๆอยู่บ้านพอสว่างเป็นวันใหม่ก็เตรียมเข้าไปบินธบาตในอำเภอเอ่าวลึกจากท่าเรือไปในตัวอำเภอประมาณสามสิบเปรเซนใกล้จะเข้าบ้านมีโยมคนหนึ่งมาช่วยถือกา้ําและกลดเขาเล่าว่าพระสุดงฟูเกตโคบลอยพัางงามาพักนี่เวศอยู่ชานอำเภอ ที่ป่ามะพร้านี้ได้หลายวันแล้วกระผมจะตามพ่อท่านบินทบาทไปแล้วจะพาพ่อท่านไปฉันกับพระทุดงพวกนั้นแล้วบินทบาทพอได้ข้าวพออิ่มแล้วก็ไปหาท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นกําลังแต่งบาดจะเตรียมฉันต่างก็มองดูกันแล้วก็หวัวเราะเพราะเป็นพวกเดียวกันแต่จําพรรษาคนล่ำสำนักเฉยๆเมื่อฉันเสร็จแล้วล้างบาดเก็บบริขารแล้วก็ทักทายป่าใสากันจนจบเรื่อง แต่พอเตี้ยงวันมีชาวตำบลแหลมตัดอำเภออ่าลึกเขาเอาเรือบรรจุคนมาประมาณสองอคนเขาได้ทราบว่าพระธุดงค์มาพักอยู่อำเภอเอ่าลึกสวนมาพราวหลายวันแล้วและเขาจะมาซื้อของในอำเภออ่าลึกด้วยและจะมาขอพระไปไว้พักวิเวกบ้านเขาด้วยขณะนั้นมีพระอยู่ด้วยกันนับทั้งเจ้าตัวผู้ไปใหม่ในวันนั้นห้าลูกคือท่านอาจารย์อาจท่านอาจารย์พมมา คุณสุบินคุณเจริญแล้วเขานิมนต์ต่อหน้าสงฆ์ว่าขอให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายแบ่งพระให้พวกกับผมบ้างจะให้ขี่องค์ก็เอาจะให้องค์ไหนก็เอาตกลงก็เลยได้ข้าพเจ้าเขาก็เลยรับเอาบริขารกราบลาครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนแล้วก็ไปและเจ้าตัวก็พอใจด้วยเดินไปประมาณสองกิโลก็ถึงที่ท่าตําบลแหลมสัตว์แล้วลงเรือตอนเย็นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า ก็ถึงบ้านแหลมตัดมืดประมาณหนึ่งทุ่มตอนหัวค่ำน้าทะเลกำลังขึ้นเขาเอาไปพักไว้กับตอฟ้าโรงเรียนมีเหี้ยมีงูเหา่างูกระปะมากพักอยู่ที่นั้นเกือบจะหนึ่งเดือนวิเวกพอควรญาติโยมก็เป็นที่สบายพอควรมีนายมานูลแม่นนยแม่โจมาให้ความสะดวกไปบินขบาาก็สะดวกไม่ไกลนักไม่ไกลนักสงัดวิเวกโยมพังงาที่สานักจำพรรษาอยู่ เขาทราบว่าอยู่ที่นั้นเขาก็นิมนต์ให้กลับด้วยการเขียนจดหมายมาหาก็เลยเขียนจดหมายตอบไปหาคณะสงฆ์หนึ่งฉบับเนื้อความในจดหมายว่าที่พักชัวก่วคราวริมทะเลบ้านแหลมสัตว์ตำบลแหลมสัตว์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีกราบเรียนพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกทวนหน้าที่เคารพอย่างสูงกระผมเที่ยววิเวกไปก็ไกลแล้วคงจะไม่ได้กลับเสียแล้วโทษของเกล้าอันใดมี ขอได้การุณาโปรดเกล้าอยู่ทุกเมื่อเดินกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงลาเขมมาปตะโตแล้วจากหน้าซองว่ากราบเรียนพระเถรานุเถระทุกทวนหน้าวัดป่าโพ ก, กลอยตำบล น, นากลางอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาเมื่อได้ทราบแล้วอ่านแล้วการุณาถวายต่อทางวัดป่าเขาโต๊ะแซปูเกตด้วยกรับจะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงส่วนจดหมายไปหาโยมพังงานั้น ลงชื่อที่พักอยู่แต่วันที่เรือนจําไม่ได้แต่เป็นพสอสองสีเก้าหกเจริญทำคณะญาติโยมชาวพังงาที่ร่วมสุขทุกข์กับวัดป่าทุกๆุกท่านที่นับถืออาตจจมาไปเที่ยววิเวกคงจะไม่ได้กลับเสียแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างมีพุทธธรรมสง์ประจําใจอยู่ก็ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมทรงข่าวมาด้วยความนับถือไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดการละนานล่าเข็มมาปัดตัวนี่แหละ เรื่องสังขารของการวิโยกมันเป็นอย่างนี้ละ่ะที่ป่าชาจังหวัดตรังคันพลักอยู่ที่นั้นเกือบเดือนแล้วก็ลาเขาลงเรือข้ามอ่าวลึกไปพักอยู่หนองจิกคืนหนึ่งเขาส่งขึ้นรถยางไปจังหวัดกระบี่พอถึงก็ขับมืองเขาเอาไปพักไว้นอกเมืองลงเครื่องจักรขัวกาแฟมีชายโสดอยู่นั่นคนเดียวที่กว้างขวางหลายๆห้องตื่นเชา้าเขาส่งขึ้นรถเท่าแก่เขาเอานมมาให้ฉันสองแก้ว ก็เลยฉันแก้วเดียว6โมงเชา้ารถก็ออกเดินทางข้ามอำเภอคลองท่อมพอถึงอำเภอห้วยยอดเป็นเวลา5โมงเช้าชาวรถเขาหยุดอยู่ประมาณ30นาทีเขาจะจัดเียนถวายบอกเขาว่าอัตมาฉันงมือเดียวฉันนมตั้งแต่6โมงเช้า1แก้วแล้วความหิวไม่ลบควรดอกแล้วรถก็ได้เวลาวิ่งต่อไปถึงจังหวัดตรังประมาณบ่าย2กว่าแล้วไปพักที่ป่าจา ไกลจากสถานีรถไฟประมาณเกือบกิโลมีโยมเอาเสือมาปูที่ดินลาบใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและมีน้ำหนึ่งครูแขวนกดที่กิ่งไม้ต้นนั้นผินหัวหนุนหลุมศพเพราะศพที่เขายังไม่เผาเขาถมดินทูนขึ้นเต็นเตียนเขาไม่เอากิ่งไม้และหนามมาปกไว้เหมือนภาคอีสานด้านภาวนาหนักไปทางบริกรรมเมตตาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นส่วนมากมาแต่ถ้กันแล้ว จังหวัดพังงาแล้วแพร่จนถึงอนัตตาจิตอนัตตาธรรมอันไม่มีเวรไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีสัตวูแต่ก็เห็นคุณค่าทันตาเฉพาะตนเพราะกระแสจิตใจไม่นึกเพ่งโทษใครสติก็ตั้งได้ไง่ายไม่โผออกมางุดหงิด ต, ตั้งจิตว่าขอโยนิทั้งสี่ทุกทวนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อดังนี้เสมอเสมอไม่ได้บังคับยากส่วนเวลานอนก่อนหลับเอาไว้กับลมออกเขา้า พร้มบริกรรมเมตตาตื่นเช้าได้เวลาไปบินธบาติที่ในเมืองพอตอนบ่ายประมาณห้าโมงมีจีนคนหนึ่งอายุราวสามสิบหน้าตาคมคายผ่องใสมากราบแล้วถามว่าท่านมาพักที่นี่เห็นผีไหมละ่ะตอบว่าไม่เห็นเลยถามว่าเห็นงูไหมละ่ะงูกะปะมังมีหลายตอบไม่เห็นถามแล้ ว, แ ล, วแล้วท่านจะไปไหนละ่ะตอบจะไปกรุงเทพถาม ทั้งทั้งจะไปด้วยวิธีไหนล่ะตอบจะเดินไปพอจําพรรษานครศรีธรรมราชล้นพิบูรณ์ก็จําพรรษาที่นั่นจีนพูดต่อไปว่ามังมังไก่ไหมล่ะตอบไก่ก็ค่อยเดินไปข้ามที่ไหนก็นอนที่นั้นจีนพูดต่อไปว่าถ้าถ้าอย่างงั้งผงผงจะให้เงินข่าลกทัง้งตอบอาตมารับเงินถึงเงินเอาเองไม่ได้จีนพูดต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นเอาใบสุกทิชท่านมาผงจะไปซื้อตั๋วรถดวงมาให้เขาขายล่วงหน้าหกโมงเย็นแล้วก็ก้มหน้าพิจารณาอยู่สักคู่ได้ความว่าคนพอหน้าพอตาขณะ น, นี้เขาคงไม่ต้มเราแล้วก็เอาใบสุกทิให้เขาเขาก็ขี่รถจักรยานไปไม่นานเท่าใดก็กลับมาเอาใบสุกทิและตั๋วรถให้เป็นรถ ด, ด่วนตู้ชั้นสองราคาหกิบสบาทห้าสิบสตางค์ แล้วเขาถามว่าข้าวข้าวจะกินที่ไหนล่ะตอบว่าอาตมาเคยทนหิวได้แกตอบว่าถ้าอย่างงั้นก็ไม่ยากพุ่งพุ่งนี้ไม่ต้องบินขบากลบไปแต่เจ้าเดี๋ยวจะไม่ทังลบจงไปรอที่สถานีผงผงจะมารอที่นั่นจบคําแล้วแกก็กลับบ้านถามว่าชไหนจีนคนนั้นจึงไปเยี่ยมป่าจ้าตอบว่าบิดาเขาถึงแก่กรรมถูกฝังไว้จมดิน เขาเอาธูปเตียนไปจุดบูชาคุณของบิดาเผาและเขากำลังลี้เริ่มจะโกยขึ้นมาเผาทำเนียมของชาวจีนเด่นมากในทางเขาลบบิดามารดาแห่งพระคุณตรงกับคำสอนของพระพุทธศาสนามากในส่วนนี้ฉะนั้นจีนจึงไม่ค่อยจะตกต่ำในการกลองชีพและมักจะมีแต่ผู้มีสัตว์มีสีเป็นส่วนมากนักโทษจีนในเรือนจาของประเทศไทยมีน้อยที่สุดนัก ลาลบเรื่องเดินทางต่อไปคั่นเป็นวันใหม่ได้เวลาก็ส่งศาสตร์กับคุให้เขาแล้วก็ลาเขาไปสถานีรถไฟเพื่อรอขึ้นรถพอไปถึงสถานีหนึ่งโมงเช้านายสถานีก็มารับเข้าไปไว้ในห้องเสมียนจัดเก้าอี้มาให้นั่งเจ้านายทางนั้นเขาลบพระอย่างไม่เสียธรรมไม่ให้พระอยู่ข้างนอกปะพลกับโยมอีกสักครู่จีนสองคนผัวเมียแลเห็นก็เข้ามาในห้องเสมียน รับเอาบริขารแล้วพูดว่านี่มงนี่มงผงผงให้ลูกผงไปนั่งจองตู้ชั้นสองไว้แล้วลูกผู้ชายฝ่ายสามีก็สะพายเอาบาดภรรยาแบกเอากรดข้าพระเจ้าลาสมียนแล้วให้พรเขาย่อๆแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเขากระเคนบริขารแล้วก็ประเคนถุงพลาสติกใส่ข้าวกับปลาแห้งสามตัวไข่สามฟองยาเก็ดทองสองซองน้ำสองขวดแก้วแล้วก็เอาไว้ที่ตะแกรงข้างบน ใกล้ที่นั่งส่วนน้ำสองขวดเอาไว้ที่ใต้มานั่งแล้วก็เลยถามเขาว่าขวดเปล่านี้เมื่อฉันน้ำหมดแล้วจะให้อาตมาปฏิบัติยังไงเนอเขาตอบว่ากิงแล้วก็ขว้างกิงก็ไล่หรือทิ้งไว้ในโลกถ้าใครอยากล่ก็ให้เขาไปไม่ต้องเป็นกังวลแล้วจีนคนนั้นเขียนชื่อของตนให้เป็นอักษรไทยว่าชื่อนายดำช่ายจิมจิตอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดกลงัง พอพูดกันจบไม่ช้าก็ตีละฆังแกล้งรถไฟก็เปิดบูดให้พรเขาย่อๆเขาก็ยกมือใส่หัวแล้วก็ลงรถไปรถไฟก็ออกช้าๆผ่านสถานีแล้วก็เริ่มเร็วจัดเข้านั่งห้อยเท้าภาวนาในรถไฟจิตใจก็รู้สึกเบามากรถไฟสายปักใต้สมัยนั้นไม่ยัดเยียดคนโดยสารเหมือนสายเชียงใหม่อุบลอุดรเลยและคนโดยสารก็ไม่ใจจืด เห็นพระมาในรถองเดียวไม่มีญาติโยมมาด้วยก็เลี้ยงอาหารไม่ดูได้เลยนาะเวลาประมาณห้าโมงเช้าก็ถึงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องลงรถที่นั่นรออยู่ประมาณ30นาทีเพราะรถคันที่วิ่งขึ้นมาจากจังหวัดตรังจะรอสับหลี ก, กับรถ ด, ด่วนที่วิ่งขึ้นมาจากสงขลาเพื่อจะเข้ากรุงเทพแล้วรถคันมาจากจังหวัดตรังจะได้เลี้ยวขวาตรงลงไปทางจังหวัดสงขลา